ขลวงพ่อมาเทศที่นี่มุสิกเชิครั้ ง, งนี้ครั้งที่สามอีกไกลเข้ามาสังเกต ด, ดูพวกเราผ่านมาไม่ถึงปีดีเราก็มีพัฒนาการที่ดีเป็นจำนวนมากหรือถ้าเราสนใจที่จะศึกษาปฏิบัติธรรมก็การศึกษาปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องยากเกินไป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 นี่ถ้าไปเกิดเป็นโรลมไม่มีรูปมันไม่มีร่างกายเลยอันนี้ร่างกายกระดูไม่ได้ไม่มีให้ดู ไ, ไปดูจิตดูใจแล้วก็ว่างเพราะั้นการที่จะเห็นไตรลักษณ์เนี่ยภูล์มของมนุษย์เนี่ยเห็นง่ายที่สุดเพราะนั้นเป็นบุญของพวกเรานะที่ได้เกิดเป็นคนเกิเป็นมนุษย์อย่างนี้แหละต้องภูมิใจพวกเทวดาเนี่ยเวลาใกล้จะตายพวกพวกจะอวยพรบอกให้ตั้งใจไว้นะขอให้ได้ไปเกิดเป็นคนนะ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 ท่านก็ไปหาฤาษีไปเรียนนั่งสมาธิท่านเพราะว่ามันไม่ใช่ทางนั่งสมาธิแล้ว เ, เอาแต่ความสงบมันก็ไม่ใช่ทางแต่ถ้าไม่มีการทำทานไม่มีการรักษาศีลไม่มีการฝึกสมาธิจะไปเจริญปัญญาได้ไหมก็ทำไม่ได้งนั้นสิ่งเหล่านั้นเป็นความดีขั้นพื้นฐานเท่านั้นเองมีโอกาสทำเราก็ทำนะแต่การที่เราจะทำทานถือศีลทาสมาธิได้ดีนะี่ต้องฉลาด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 รอขึ้นมาไปผิดลูกผิดเมียเขาไปปลิ้นปล้อนหลอกลวงเขาผิดศีลได้ทุกข้อแม้ถ้าเราคอยมีสตินะเราไม่ต้องฝึกอะไรมากหรอกเราฝึกให้มีสติคอยรู้เท่าทันจิตใจของตนเองไว้ศีลมันจะเกิดขึ้นเองไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้วเรามีศีลจิตใจเราเป็นปกติจิตใจเราเป็นธรรมดาไม่ถูกกิเลสครอบงําจิตใจเราจะสงบง่ายจิตใจที่มันไม่สงบก็เพราะถูกสิ่งเร้านะ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 หลักปฏิบัติก็มีนิดเดียวนะรู้ทันจิตที่ฟุง้งซ่านจิตก็สงบนะถ้าเรารู้ทันจิตที่ฟุง้งซ่านจิตมันสงบอัตโนมัตินะแล้วมันจะไม่ใช่สมาธิชนิดเครือบเคล้มลืมเนื้อลืมตัวไดว้ถ้าเรารู้ทันจิตที่ฟุง้งซ่านเนี่ยนอกเหนือจากความสงบที่ได้แล้วเนี่ยเราจะได้ความตั้งมั่นของจิตด้วยจิต ท, ที่ไม่ไหลไปไม่เคลื่อนไปนั่นคือจิต ท, ที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตตัวนี้แหละเป็นจิตที่มีสมาธิที่ดี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 ที่นั่งหายใจไปด้วยจิตฟุ้งซ่านไม่ชอบชอบจิตสงบแน้องจิตอยู่กับลมบางทีมก็สงบบางทีมก็ไม่สงบบางทีก็ลึกลงไปเคลิบขาสติบางทีก็เชื่อนขึ้นมาหน่อยนะสว่างออกข้างนอกไปเที่ยวข้างนอกไม่ใช่สมาธิที่เป็นไปเพื่อมรคนิพพานเลยเฉะนั้นถ้าเราจับหลักของการปฏิบัติให้ดีการปฏิบัติจะไม่ยากถ้าไม่รู้หลักนี่แหละการปฏิบัติจะยาก แล่วเราคอยรู้ทันนะขั้นแรกเลยเรามีสติไว้คอยดูจิตดูใจของเราไว้จิตมีกิเลสเกิดขึ้นให้รู้โลภเกิดขึ้นให้รู้โกรธเกิดขึ้นให้รู้จิตหลงไปให้รู้แล้วนะตรงที่จิตหลงไปเรารู้จิตหลงไปเรารู้ตัวนี้จะได้สมาธิด้วยนะจะไม่ใช่ได้แต่ศีน ล, ลำพังความโกรธเกิดขึ้นเรารู้นะไม่ผิดศีนแต่ใจยังฟุ้งอยูนะ่มันฟุงฟ้งฟุ้งฟุ้งอยู่ข้งหนได้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 เดี๋ยวนี้ไม่เห็นจะยากอะไรเลยก็อย่าฟุ้งซ่านเสียสิมก็สงบแล้วละ่ะง่ายๆนะฟังแล้วกาปั้นทุบดินเลยรู้จักความฟุ้งซ่านเลยเราหน้าลองลอ ง, ลองดูเราทดสอบดูเรามาให้ทดสอบใช่าบางคนเกล็งแล้วเกรงปุ๊บเลยเตรียมทดสอบไม่ใช่ให้ไปวิ่งแข่งสี่วิ่งปรัดสี่กุญล้อยวิ่งเร็วอะไรนะต้องเกร็งไปทั้งตัว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 จิตฟุ้งก็คือจิตส่วนใหญ่ก็ไหลไปคิดต้องซ้อมนะทุกวันแบ่งเวลาไว้สักสิบห้านาทีไม่ทอามากหรอกเอามากเดี๋ยวเขาไปนั่งหลับนั่งเพ่ง<ม>ยิ่งคนในเมืองอย่างพวกเราเนี้วันวันมีเรื่องต้องคิดมากมายเหนื่อยนั่งรถกลับบ้านก็เหนื่อยแล้ะกลับไปถึงบ้านมันเหมือนนกปีกหักโซมเต็มทีแล้วไปนั่งสมาธินานๆแล้วนะก็นั่งหลับเราไม่ต้องนั่งนานนะเอาสักสิบห้านาที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 มันจะรู้เองไม่ต้องเจตนารู้แล้วเรียกเรียกว่าสติมันเกิดและสติมันเกิดจากจิตจําสภาวะได้แมน่นนี่เราต้องการให้จิตตั้งมั่นเราค่อยรู้ทันจิต ท, ที่เคลื่อนไปจิต ท, ที่ฟุง้งนะนี่เราหัดพุดโทโธพุโทโธไปสบายๆหาดหายใจไปสบายๆรู้เนื้อรู้ตัวไม่ให้เคลิมแล้วก็คอยรู้ทันนะในใจแล้วจิตหนีไปรเรารู้จิตหนีเรารู้ฝึกให้มากนะฝึกให้มาก สติอัตโนมัติมันจะเกิดขึ้นมาต่อไปจิตเคลื่อนปับ๊บรู้ปับนะ๊บเลยสมาธิเกิดนิพพานสมาธิเกิดแล้วเราจะรู้สึกนะว่าร่างกายกับจิตนะั้นโคแลนกันร่างกายกับจิตนะั้นโคแลนกันความสุขความทุกข์ความดีความชั่ว โ, โลภโกรดหลงทั้งหลายกับจิตก็เป็นโคแลนกันนี่เราจะฝึกไปด้วยจนกระทั่งเห็นกายก็ส่วนกายเวทนาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึ ก, ก, สกไม่สุขไม่ทุกข์ไม่แยกออกไปอยู่ต่างหากนะความ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 ออกไปหาครูบาอาจารย์นะเข้าไปตามวัดตามอะไรเนะี่ยแต่ละแห่งแต่ละแห่งเนี่ยหาคนที่รู้สึกตัวเป็นที่จิตตั้งมั่นเป็นเนี่ยหายากมากนะตั้งแต่30ปีก่อนนะอย่าว่าแต่ยุคนี้เลยนะสมัยก่อนยังหายากเลยบางทีทั้งวัดเนะี่ยมีแต่อาจารย์อยู่องค์เดียวที่รู้ตัวเป็นนอกนั้นก็นั่งเพ่งเอนทำความสงบซึมๆึมไปเพ่งเพ่งเครียดเครียดไปอย่างนั้นเองหรือบางพวกก็เดินจงกรมนะเดินเครียดเครียดไปอย่างนั้นเอง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 ตัดหมดที่สาคัญที่สุดไปซึ่ขขงถอนเขาหมดเวลาเขาเริ่มตั้งแต่อะไรนะความเกิดและความเกิดก็เป็นทุกข์แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์แม้ความตายก็เป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักการประสบสิ่งที่ไม่รักความไม่สมหวังก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์เสดายจบแค่นี้ยังมีต่ออีกหน่อยนะบอกว่าสังคีเตนะพันจุปาทานนขันธาทุกขาโดยย่อโดยสรุป ขันทั้งห้าคือตัวทุกเนี่ยตัวใหญ่เลยเราจะมาเรียนให้เห็นว่าขันทั้งห้านะคือตัวทุกถ้าเห็นว่าขันทั้งห้าคือตัวทุกได้นี่แหละจะบรรลุมากคนลนิพพานนะจะถึงพระอรหันต์ได้เลยตอนถึงตัวเนี้ยแล้วท่านสอนวิธีจะให้เห็นว่าขันทั้งห้าเป็นตัวทุกทำยังไงท่านบอกให้ดูสิรูปปางอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนิจจารูป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 การเบื้องต้น hmm. ก so mm ็หัดหยับหยาบก่อนให้เห็นว่าร่างกายกับจิตมันโคละอนกันสุขทุกข์กับจิตก็โคละนกันดีชั่วกับจิตก็โคละอนกันโลภกับโกรธก็โคละอนกันนะสุขกับทุกข์ก็โคละนกันเนี่ยค่อยๆแยกแต่ละ้านแต่ละ้านแยกออกไปเรื่อยๆแล้วทั้งหมดนี้ไม่ใช่จิตจิตเป็นคนไปรู้เข้าถ้าละเอียดขึ้นไปเราก็จะเห็นว่าจิตที่ไปดูก็อันหนึ่งจิตที่ไปฟังก็อันหนึ่งจิตที่ไปคิดก็อันหนึ่งนะค่อยๆหัดไป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 พวกเราขยากนิพพานบ้างถามหน่อยสิยกมือให้หลวงพ่อดูชื่นชื่นใจสิใคยักนิพพานบ้างานะแล้ววัดใจตัวเองเจบมือใช่ให้นิพพานตอนเนี้เอาไหมสนใจไม่เอาไม่เอาไม่ต้องให้นิพพานเลยหรอกนะให้เลิกกับแฟนตอนนี้เอาไหมโ้หน้าเบี้ยวไปหมดแล้วนะเจอทีเด็ดเท่าเนาะ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 เวลาจมกิเลสนะจมอยู่นานนานมาภอวนาเยาะเหยาะแยแยสองสาวันจะเอามากเข้าผลนะสู้กันไม่ได้หรอกคล้ายๆกิเลสนั้นมันซ้อมโชคมวยทุกวันเลยกุศลมันไม่ได้ซ้อมชคสัก ท, ทีชกกันทีไรมันก็แพ้สิไม่ต้อฝึกนะตั้งใจรักษาศี่ห้าเข้าแล้วทํากรรมฐานอย่างหนึ่งจิตไหลไปแล้วรู้อันนี้ฝึกเพื่อจะให้จิตตั้งมั่นเป็นคนดูแลจิตตั้งมั่นเป็นคนดูแล้วแยกขันอย่างน้อยต้องมี ขันตัวหนึ่งเป็นตัวแสดงขันตัวหนึ่งเป็นคนดูคนไหนขี้โมโหก็ดูความโมโหไปจะเห็นเลเดี๋ยวความโกรธก็เกิดขึ้นเดี๋ยวความโกรธก็หายไปแต่จิตจะเป็นคนดูจิตกับความโกรธเป็นคนละอันกันดูคราฟิกสูทั้งหลายจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะก็รู้ว่าไม่มีโทสะใครเป็นคนรู้จิตเป็นคนรู้โทสะก็อยู่ส่วนหนึ่งจิตก็อยู่ส่วนหนึ่งค่อยๆฝึกไป ดูกราภีสูตทั้งหลายจิตมีราคาให้รู้ว่ามีราคาจิตไม่มีราคาก็รู้ว่าไม่มีราคาใครเป็นคนรู้จิตเป็นคนรู้ดูกราภีสูตรทั้งหลายเมื่อยืนอยู่ก็รู้ชัดว่ายืน อ, อยู่ใครรู้จิตเป็นคนรู้นะเพราะฉะนั้นในกรรมฐานที่เราจะฝึกนะอย่างน้อยต้องมีจิตที่เป็นคนรู้จิตที่เป็นคนรู้เนี่ยอาศัยฝึกที่หลวงพ่อสอนมาตั้งยาวนานนี่นแหละอาศัยทํากรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วจิตหนีไปให้รู้ทัน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 แล้วทำไมไม่บรรลุภาพอาหารสักทีว่าขี้เกียดรู้เมัวแจ่ไปรู้อะไรมัวแต่ไปรู้รูปเมื่อจะไปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสทางกายรู้เรื่องราวที่คิดนึกทางใจไม่ยอมดูรูปดูนามถ้าดูก็ดูเป็นแต่ว่าขี้เกียดดูถ้าอะไรมันไม่สนุกเหมือนดูละคร ต, ตอนนี้มีบางคนนะฟังหลวงพ่อแล้วงงคงไม่เคยฟังมาก่อนฟังแล้วงงงงง ง, ง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 เวลามีความสุขใจมันก็เป็นแบบหนึง่งเวลาใจมีความทุกข์ใจก็เป็นแบบหนึง่งใครเป็นคนรู้จิตเป็นคนรู้เในใี่ครฝึกเพราฉะั้นต้องฝึกให้ได้จิตที่เป็นผู้รู้ก่อนพอได้จิตที่เป็นผู้รู้แล้วก็เห็นรูปนามทํางานนะเห็นรูปนามทํางานแล้วต่อไปมันจะเห็นรูปนามนี้ไม่ใช่ตัวเราแล้วสุดท้ายมันก็จะเห็นว่าจิตก็ไม่ใช่ตัวเรานึกซึ้งต่อไปอีกรูปนามนี้คือตัวทุกสุดท้ายมันก็รู้ว่าจิตนี้แหละคือตัวทุก ถ้าเมื่อไหร่รู้ว่าจิตคือตัวทุกขนะ์เน่ยเมื่อนั้นแหละจะข้ามโลกลนะจะพ้นจากบัตตนะ้จะเป็นพระอรหันตนะ์นั่นหลวงปู่ดูลสอนนะบอ ก, ว, อกว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเนปะ็นมรรคคำว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเนี่ยหมายถึงอะไรเห็นไตรลักษณนะ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งมันจะรู้เลยว่าจิตนี่คือตัวทุกข์เป็นทุกข์เพราะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เพราะถูกบีบคั้นเป็นทุกข์เพราะไม่อยู่ในอำนาจ บ, บังคับ เราเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์หรือเป็นทุกข์นั่นเองจิตจะปล่อยวางจิตเมื่อจิตปล่อยวางจิตเก็จะไม่ยึดอะไรในโลกอีกแล้วยึดจิตดวงเดียวจิตนี้จะไปสร้างขันห้าใหม่ขึ้นมาได้อีกนะจะไปสร้างขันขึ้นมาใหม่จิตนี้เหมือนเมล็ดทันของต้นไม้มีเมล็ดอยู่เมล็ดเดียวนี้อะไรไปงอกต้นไม้ใหม่ได้อีกนั้นเราต้องมาเรียนรู้นะจนสุดท้ายเนี่ยจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรคนี้หลวงปู่ดูลท่านพูดแบบอมออม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 นี่พระสอนเรื่องนี้ผ่านไม่ได้พูดเรื่องนิพพานไม่ได้ก็แย่สิใช่ไหมพุทธเจ้าสอนนิพพานอะ่ะสอนให้เรารู้วิธีไปนิพพานนี่ไปชวนกระทั่งหลวงตามหาบัวนะชวนหลวงตามหาบัวให้มารุมบ้อมหลวงปุดุลหลวงตาพูดคําเดียวบอกพระองค์นี้เราไม่เล่นด้วยนะ mm. พอท่านพูดคํานี้นะพวกที่จะเอาเรื่องท่านนจะเลิกหมดเลยเงียบรู้แล้วว่าหลวงตาท่านยังเคารพเลย mm. มันจริงๆแล้วจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นอรหัตธรรม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 จปล่อยวางอารมณ์ก่อนพวกเราเคยเห็นจิตยึดอารมณ์ไหมจิตเข้าไปตะครุบอารมณ์บางทีดูดูแฟนผู้หลุดใชออ่ตัวอารมณ์เนี่ยตัวอะไรตัวออบเจกต์ใช่ตัวสิ่งที่ถูกรู้จิตเป็นตัวซับเจกต์เป็นตัวไปรู้เนี่ยตอนนี้ที่เราฝึกกันแล้วเราเคยเห็นเนี่ยนะเราเห็นจิตปล่อยวางอารมณ์ปล่อยตัวสิ่งที่ถูกรู้ในห้องนี้ส่วนใหญ่ยังไม่เคยเห็นจิตที่ปล่อยวางตัวจิต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 ถือศีลห้าได้หรื อ, อยังใครถือศีลได้สี่ข้อยกมาซิมีไหมถือศีลได้ดีสี่ข้อยกซิอ๋อที่เหลือถือได้ห้าข้อ <c oughs> ใครได้หนึ่งข้อใครได้หนึ่งข้อยกให้หลวงพ่อดูซิมีไหม <c oughs> ใครได้สองข้อมีไหมสามเหลอสามที่ชักเยอะน ะ, สะแสดงว่าไม่มีกิก๊กเป็นสำรวจตัวเองนะ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 เราต้องกล้าหารขี้ตัวเองมาเปิดตัวเองเออกมาฉีกหน้ากากตัวเองเออกมาได้นั่นแหละถึงจะกล้าหารเข้าสู่ความสะอาดได้อย่างง่ายดายถ้าเจ้าเล่ยแสนกลนอมพนำ้ำซ่อนเล้นพอนายากนั้นเราไม่เคยทําในรูปแบบก็หัดทําซะสิไม่ได้ผิดกฎหมายหรอกไม่เสียภาษีเพิ่มด้วยนะไปหัดเข้าทุกวันวันหนึ่งสักสิบห้านาทียี่สิบนาทีไม่ต้องเยอะหรอก เส้นหัดพุดโทโธพุโทโธไปแล้วใจหนีไปแล้รู้ฝึกไปอย่างนี้ยใครรู้สึกตัวเป็นแล้วยกมือใช่มีไหมถึงไม่ยกหลวงพ่อก็ดูหน้าออกถูกไหมคนที่รู้สึกตัวเป็นกับคนหลงเนี่ยหน้าตามไม่เหมือนกันคนหลงหน้าตามเจงิกคนรู้ตัวนี้หน้าจะตึงโดยไม่ต้องไปดึงเลยนะหน้าตามจะสดใสฝ่องใสไม่ต้องไปดึงหน้าหรอกบางคนหน้าเหี่ยวนะแต่ว่าสดใสเคยเห็นไม น่าเหี่ยวแก่แล้วอย่างหลวงพ่อที่แก่แล้วแต่สดใสนะสดใสกว่าพวกเราเยอะเลยพวกเราดูมืนๆมัวๆบาคนเป็นขี้ง่วงตั้งใจนะตั้งใจทำเข้าแล้วไปฟังซีดีฟังซีดีที่หลวงพ่อเทศนะไม่ใช่ไปฟังซีดีเพลงอะไรนะเดี๋ยวมารายงานคราวหน้าหนูฟังซีดีมาหนึ่งปีไม่เห็นดีขึ้นเลย ฟังอะไรล่ะฟังนักร้องไปดีได้ไงไปฟังซีดีที่หลวงพ่อเทศ่ะดูอยู่ตรง youtube อะไรก็มีนะช่วยตัวเองนิดนึงเน้อชีวิตจะดีขึ้นหลวงพ่อกล้ารับรองอย่างหนึ่งนะถ้าเรากล้าปฏิบัตินะ่ะชีวิตจะดีขึ้นกล้าปฏิบัตินะั่นถึงสู้กับความขี้เกียจสู้กับความท้อแท้ของเราเองขยันดูดูมันเข้าไปดูเนื้อรู้ตัวเห็นกายเห็นใจมันทำงานไปเรื่อยไม่ต้องเห็นทั้งห้าขันหรอก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 เข้าด้านใดก็ได้ไม่ใช่ต้องเข้าทั้งสี่ชั้นนะไม่ใช่ประตูสี่ชั้นนั้นฝึกเข้าและวพอสมควรแก่เวลาเทศเดวนักเดี๋ยวพวกเราก็อยากไปช้อปปิ้งห้างมันเปิดกี่โมงอะ่ะ <c> ม <oughs> ันใกล้เวลาแล้วนาว่ามานรนส ก, การหลวงพ่อค่ะจริงๆก็ไม่เชิงจะส่งการบ้านค่ะเพราะว่าเคยมันยังไม่เคยฟังหลวงพ่อ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 เราทากรรมฐานอะไรก็ได้แต่ถ้าทํากรรมฐานแล้วไม่รู้หลักไม่ตรงหลักอันนี้นะยังไงก็ผิดเพราะฉะนั้นเราเคลเื่อนไหวเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูฝึก อ, อย่างนี้เรื่อยๆแล้วถ้าใจไหลไปคิดก็รู้ทันใจไหลไปก็รู้ฝึก อ, อย่างนี้นะขอถามเจ่ะจงนิดนึงได้ไหมคะคือเท่าที่พอจะรู้สึกตัวคือกระิ่ของตัวเองนี่เป็นคนค่อนข้างคิดคิดคิดเยอะอาหารจะไฮเปอร์ทีนี้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 ร่างกายมีหน้าที่เจ็บปวดถึงยังไงก็ต้องเจ็บปวดจิตมันมีหน้าที่คิดถึงยังไงมันก็ต้องคิดเพราพุทธเจ้าคิดไหมเนี่ยทำไมเราต้องฝึกไม่คิดพุทธเจ้ายัางคิดเลยถ้าเรามีทฤษฎีภาษาที่เราใช้คือคำว่าทฤษฎีนะภาษาบาลีคือทิฏฐิถ้าเรามีทิฏฐิที่ผิดหรือมิจฉาทิฏฐิที่ผิดเนะี่ยเราตั้งเป้าการปฏิบัติผิด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 ถ้าดูกายเนี่ยปัจจุบันขณะได้คือจิตเนี่ยรู้รูปที่เคลื่อนไหวเป็นอารมณ์แปลปัจจุบันได้แต่ถ้าจะดูจิตดูใจอย่างดูความโลภโกรธหลงเนี่ยขณะที่โลภไม่มีสติแน่นอนต้องดูตามหลังถูกแล้วแต่มันนานมากเลยนะคะนานมากใช้ไม่ได้คกว่านจะรู้ได้กระชั้นกระชั้นถ้าเมื่อวานโกรธมันนี้รู้อย่างนี้ใช้ไม่ได้อ๋อไม่ขนาดข้างวันค่ะแต่บบบบางทีมันหลายชั่วโมงบางทีนึกนานกว่าจะรู้อ้าวพอไม่เป็นไรรู้เมื่อไหร่ได้คะแนนเม่อนั้น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 ฝึกใหม่เลยนะหรือของเก่าทิ้งไปอย่าเสียดายที่ผ่านมาเราได้ความทุกข์ยากมามากพอแล้วขอบคุณค่ะกรับนมัสการหลวงพ่อคะอ่ะฟังเริ่มเริ่มฟังคำสอนจากหลวงพ่อจากซีดีนะคะแล้วก็เริ่มปฏิบัติเรียกว่าสม่ำเสมอคือ ท, ทุกวันประมาณเจ็ดเดือน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 กรรมฐานไม่ได้เรียนอะไรมากมายนักหรอกแต่ละคนมีกรรมฐานเฉพาะตัวนิดเดียวกรรมฐานที่เราใช้น่ะแค่คู่เดียวเช่นหายใจออกหายใจเข้าไม่เห็นแลร่างกายมันหายใจไม่คงที่ยืนเดินนั่งนอนนี่ก็เป็นเซตหนึ่งเล่นเป็นเซตเซตโกรธก็ไม่โกรดนี่ก็เซตหนึ่งโลภก็ไม่โลภก็เซตหนึ่งกรรมฐานเล่นเซตเดียวสำหรับคนกนหนึ่งแค่นี้ก็บรรู้แล้ว ต้องหลวงพ่อมีกันบ้านที่จะให้ทนใจเราฟุ้งเก่งนะเมื่อเราดูในชีวิตประจำวันเนี่ยตาหูจมูกนิ้นแก่ใจกระทบอารมณ์แล้วเกิดสุขเ ก, กิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วให้รู้เอาฝึกบ่อยๆมันจะเห็นได้จิตเปลี่ยนแปลงได้ทั้งวันนั่นแหละดีสมาธิของหนูมันน้อยไปนิดนึงนกับนมัสกรารหลวงพ่อนะคะคือหนูฟัง ซีหลวงพ่อมาประมาณห้าหปีแล้วค่ะแต่ว่าตอนนั้นคือดีทุกแล้วก็ฟังแล้วก็ปฏิบัติดูจิตอย่างเดียวแต่ไม่ได้ปฏิบัติในรูปแบบแล้วก็ขี้เกียจแล้วก็ไม่ได้ดูต่อค่ะจนเมื่อเดือนที่แล้วอะค่ะหนูมีโอกาสได้ไปปฏิบัติธรรมกับแม่แล้วที่นี้ตอนนั้นมันจิตมันเลยอยากกลับมาปฏิบัติอะค่ะหนูก็เลยตั้งใจปฏิบัติในรูปแบบด้วยแล้วก็ดูจิตทุกวันฟังหลวงพ่อทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนเมื่อ สองอาทิตยที่แล้วอะค่ะคือหนูแบบจะเพิ่งเห็นตัวเองว่าหนูเอกดตัวเองไว้อะค่ะแล้วพอกดไว้แล้วทุกอย่างมันคุมร่างกายไปหมดเลย<ช>ค่ะใช่ <c oughs> กรรมฐานส่วนใหญ่ที่พวกเราไปฝึกๆ ก, กันนะนะที่ว่าวิปัสสนาวิปัสสนานะจริงๆบังคับกายบังคับใจแทบทั้งนั้นเลยเกือบร้อยละร้อยเลยนี้ถ้าเรารู้สภาวะแล้วไว้นนี้ข่มเอาไว้นะใจจะเครียดนะใจจะตึงเครียดข่มเอาไว้ เรารู้เราก็คลายออกซนะแล้วก็รู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นไม่ใช่ไปบังคับกายไปบังคับใจให้รู้อย่างที่มันเป็นมันจะคลายออกค่ะแล้วทีนี้คื อ, อตอนนั้นหนูก็เลยรู้เพราะว่าแบบไปตามดูรู้อยู่ว่าเห็นร่างกายมันขยับเพราะแบบว่ามันอึดอัดมากมแล้วก็เห็นใจที่แบบมีโลสะที่มันมไม่ชอบอ่ะเนี่ยหนูแยกแยกไปเลยนะกายก็อันหนึ่งใช่ไหมที่มันขยับอยู่ จิตมันมีโทสะโทสะก็เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าก็ไม่ใช่จิตอีกความทุกข์ในร่างกายก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งเนี่ยขันมันแยกได้อันนี้คือหนูเข้าใจถูกใช่ไหมะว่าหนูเพอแยกได้เข้าใจถูกค่ะนะ แ, ลแล้วที่นี้คือพอหนูหนูก็เลยแบบตอนนั้นก็เลยใจมันคิดว่าโอเคจะอึดอัดก็อึดอัดไปเลยแบบยอมแล้วบอกว่าไม่ไม่ฝืนอะไรแนละ้วก็ดูตามรู้ความอึดอัดไปอะ่ะส่วนสักพักมันก็ เห็นเองว่าลมหายใจมันปรับเองค่ะมันแบบอยู่ดีๆมันก็กลายเป็นปกติอืโดยที่เราทําอะไรมันไม่ได้เลยเราไม่ต้องทํำหรอกรู้อย่างที่มันเป็นนั่นแหละถึงจะเรียกว่ากรรมฐานนะคือนมก็เห็นคือหลังจากนั้นก็คือพอวันต่อมาปฏิบัติรู้สึกว่าแบบจิตตั้งมั่นขึ้นแล้วก็ตามรู้ตามดูได้แต่ว่าพอหลังจากนั้นพอรู้สึกว่าตัวเองเออมั่นใจว่าน่าจะแยกขันได้แต่พอหลังจากนั้น มันฟุ้งมากเลยค่ะมันบอกว่าหลงไปจิตไม่เป็นกลางแล้วก็แบบเผล อ, อ, อแบบนานอะไรยเงี้ยค่ะเห็นบ่อยก็เลยเริ่มไม่แน่ใจทำทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะะคอยรู้ทานจิตที่หลงจิตที่ไหลแผลจะได้กําลังถ้าหากเราเห็นจิตเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้เราก็ดูจิตไปวันนี้ดูจิตไม่ออกเลยก็เห็นร่างกายเห็นร่างกายหายใจออกใหนร่างกายหายใจเข้าใจเป็นคนดู ฟุ้งมากดูกายก็ไม่ได้ดูจิตก็ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้แล้วพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆไปอย่างดีมันมีแนวรุกแนวรับของการปฏิบัตินะค่ะหนูก็ดูทั้งจิตละกายอยู่ค่ะรู้อะไรได้หนูก็รู้อย่างนีนออ้ถ้ามันมีกําลังมันก็ไปดูจิตได้ค่ะแล้วทีนี้คือหนูจะถามนีน้่คือหนูจะแบบว่าเหมือนมีสติได้เองตอนที่ตกใจคือแบบว่าพอตกใจปุ๊บเนี่ยเกือบตลอดคือจะแบบสติ มาปุ๊บเราแบบหายออ แ, ตแต่ว่าคือหนูไม่ทันได้ดูว่าจิตไปรู้ค่ะเหมือนอย่างหลวงพ่อบอกให้ไปดูว่าจิตไปรู้แล้วคือหนูรู้สึกว่าไม่ต้องอไม่ต้องอันนั้นสำหรับฝึกหัดแยกขันเออขาหนูก็ให้เห็นในะความตกใจเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปดูไปเรื่อยๆไม่ต้องไปนั่งบรรยายนะนีนเนี่ยความตกใจถูกรู้จิตเป็นผู้รู้อันนี้ฟุง้งั้น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 การทำในรูปแบบไม่ใช่ทำเพื่อฝึกบังคับตัวเองให้สงบให้ดีวิเศษอะไรนะทำไปแล้วคอยรู้ทานจิต ท, ที่ไหลไปคิดฝึกอย่างนี้เรื่อยๆหรือมันไหลไปเพ่งไหลไปได้สองแบบไม่ไหลไปคิดก็ไหลไปเพ่ง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 ผู้หญิงเป็นเยอะนะบางทีชอบคิดเรื่องเศร้าๆแล้วใจก็ไปติดอยู่นะไปโอดครวนอยากเป็นนางเอกเนี้ยนะเรียกว่าสวมบิญยาณนางเอกทําใจเศร้าๆเจ็บแส บ, บๆหน่อยอยเงี้ยชอบเลยให้รู้ทันเลยว่าจิตติดอยู่มันจะหลุดออกมาเองเลยใจมันจะเข้มแข็งไม่งั้นใจจะไม่เข้มแข็งใครรู้อารมณ์ที่หลวงพ่อบอกว่าจิตนางเอกอย่างนี้คะว่าก็มันจะร้องไห้สนิดนี่เราก็รู้สึกว่า นี่แบบทำจริงนันเอกไลซาระมากก็เลยเลิกก็ก็หายไปช่วงนึงถ้าเราไม่ยอมมันนะแค่รู้ทันมันก็ก็ไปแล้วไอ้พวกนี้่เหมือนตัวอะไรที่หลอกลวงถ้าเรารู้ทันมันมันหนีหมดนะอ่ะคราวนี้คือสภาวะที่หลวงพ่อบอกว่าอถ้าเกิดล่วงสิทหลวงพ่อหลวงพ่อลุนนี้เราจะต้องเห็นเกิดเราดัแบเลยถือว่าไม่ตกรุ่นเนี่ยคะ่ะ ก็เลยกลับไปดูใหม่ก็จริงๆริงก็เห็นแล้วว่าอะไรบาอย่างเกิดขึ้นอะไรบางย่งก็หายไปแตะว่าก็เริ่มกลับมาสงสัยใหม่ให่ว่าจริงจริงเราที่เราคิดว่าเราแยกขันได้ซึ่งจริงๆมันจะเห็นแค่ประมาณ 2- อสสภาวะที่ไม่คิดนะคะสักที่สี่แมันจะเป็นคิดแล้วไม่เป็นไรเห็นเท่าที่เห็นได้คือเห็นแค่ไหนก็พอแล้วถ้าเราพัฒนาไปเรื่อยจริงๆริงมาต้องเห็นละเอียดแบบ5้าขันเลยไหมคะหรือว่าไม่จิตมันรู้อารมณ์ได้ครั้งละอันเดียว มันไม่ได้เห็นทีละห้าอันหรอกนะคือบางทีมันเห็นเช่นว่ามีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแล้วก็รู้ว่าเราไปรู้แล้วก็รู้ว่าเช่นมีการแปรผลว่านี่คืออะไรแค่นั้นพอแล้วละ<ม>เห็น<ช>เขาทำงานของเขาได้เองไม่ต้องไปใส่ชื่อเลยนะ ว, ว่านี่ขันนี้อันนี้ชื่อขันนี้อะไรไม่ต้องแค่เห็นว่าสิ่งทานไหลสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปแค่นั้นเองขอบคุณคนที่สองเลยนะ ภาวนาเนหัดปล่อยให้ได้นะมันฝึกมานานจนถ้ามันเครียดอยู่ตลอดเวลามนะันภาวนาผิดอนะวิธีที่เคยทำนะ่ะเลิกซะเถอะมันทำร้ายตัวเองนะมันข่มตัวเองแรงไปกับาธรรมสการค่ะคือเคยยมเคยส่งกันบ้านท่านแล้วท่านบอกว่าเ อ, อ่อให้ระวังเพราะว่าจะเป็นคนที่ปัญญานำตอนนี้จะโดยธรรมชาติจะเป็นคนคิดมาก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 อยู่ข้างบนนั้นนะ่ะว่าอะไรก็คือให้ดูว่าก็รู้ว่านะว่ามันทุกข์เพราะคิดนะคะแต่ในถ้าตัดเซกชันมาตรงวินาทีนั้นเสี้ยววินาทีนั้นเนี่ยไอ้ความรู้สึกตรงนั้นเนี่ยโอเคเราเราเร า, เราจำความรู้สึกนั้นได้แต่ถ้าจะต้องมานั่งคอยนั่งบอกว่ามันเป็นสูบทุกหรือเฉยเมันเริ่มคิดแล้วอะ่ะ<อ>มันก็คือความคิดขึ้นมาอีก ในความฟุ้งซ่านแลไม่ต้องใส่ชื่อไม่ต้องให้บัญญัติไม่ต้องใส่ชื่อบัญญัติไม่เอามาใช้ค่ะให้ให้รู้ความรู้สึกตรงนั้นแล้วก็จําแค่ความรู้สึกเฉยๆไม่จําไม่จําด้วยจิตมันจําของมันเองก็คือเรารู้อะโอเคเนี่ยคือทุกแหละคิดละแล้วก็เกิดความรู้สึกอันเนี้ยอย่างเนี้ยขึ้นมาจำความรู้สึกตรงนั้นก็คือแค่นั้นเฉยๆแล้วก็จบแล้วก็อยู่กับนั้นไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวถ้ามันคิดอีกก็ดูอีกอย่างเนี้ยเราจะดูนะเพื่อให้เห็นว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาเนี่ยอะไรก็ไได้้นะมม่่ตอองีชืเลย ทุกอย่างที่เกิดเนี่ยดับทั้งสิน้นดูแค่นี้เองอ๋อดูดูเกิดดับดูดการเปลี่ยนแปลง เ, เพราะฉะนั้นถ้าจะเปลี่ยนได้มันก็ต้องมีการเปรียบเทียบใช่ไหยคะถึงต้องดูเป็นคู่ๆไงเช่นจิตมันโกรธแล้วมันก็หายโกรธมันรอบแล้วมันก็หายโลบเนีย่ยฟุ้งซ่านแล้วมันก็สงบอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องเหมือนเหมือนกับว่ามีมีมีจุดหนึ่งก่อนแล้วก็ไปเทียบกับความรู้สึกเมื่อกี้ที่เกิดปัญญามันมากไป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 ก็คือรู้ความรู้สึกตรงนั้นแล้วก็รู้ <จบ S 1> แค่นั้ น, แ, น, นแล้วก็จะดูอะไรก็ดูอีกแล้วก็จะเห็นว่าอะไรเกิดขึ้นก็รู้แล้วต่อไปมันก็จะเห็นเองว่าว่ามันจะเปลี่ยนยังไงใช่ไม่ต้องมีคอนโทรลเอ็กซ์เพริเอนต์ไม่ต้องไม่ต้องวิพากวิจารณ์วิจัยไม่ต้องตัวนั้นแหะปัญญาลับหน้าใช่ขอบคุณแต่ขอบคุณก็น้อยลงนะที่ฟุ้งมากๆเมื่อก่อนมากกว่านี้ปีนี้ดีกว่าปีไกลกลับมาสาการหลวงพ่อใช่ค่ะ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 ไม่รู้สึกตัวว่าเรารู้เมื่อไหร่ว่าความสุขเนี่ยมันหยุดไม่ ง, งอกจะให้ไปเที่ยวสนุกสนานานั้นเอมันเข้ามาไม่ถึงในใจอะค่ะอื mm. แล้วก็รู้สึกว่าเบื่อหน่ายว่า mm. การไปทําอะไรที่ให้ความสุขนี่มันต้องลํงบาบากเป็นภาระค mm. ันห้านี่เป็นภาระอันนึง mm. นอกจากกายที่เราเป็นภาระเรื่องป่วยไข้ไม่สบายโรคจำตัวแล้วก็วัย mm. ที่เราล่วงหก mm. สิบแล้วเนี่ยอื mm.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 ก็คอยรู้ทันจิตไป น, นะกิเลสมันซับซ้อนบางทีพอเราอยู่อย่างนี้เราก็แอบภูมิใจได้นะมันจะแอบภูมิใจแอบพอใจในภาวะอย่างเนี้ยภาวะที่ไม่ยุ่ง เ, เกี่ยวอะไรเนี้ยเนี่ยเรารู้ทันเข้าไปมันเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนไปนะคะ<ช>มีมีเรื่องขำเรื่องหนึ่งคือโยมอ่านหนังสืออะค่ะไม่รู้ว่าเป็นเพราะสายตาหรือเปล่าหนังสือเขาเขาไม่เป็นคําอะคะ่ะเขาแยกมันแยกกระโดดต้องไปดูใหม่ว่า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 ถ้าไม่มีสัญญาจะทําวิปัสสนาไม่ได้งั้นในภูมิที่ไม่มีสัญญาเนี่ไม่มีวิปัสสนามันไ ม, ไม่ไม่ไปหมายรู้ใรลัก ค, คือ<ม>เคยไปติดวิปัสสนาแบบผิดผิ ด, ผดคือพอนั่งสมาธิก็จะเป็นดุงคิดนู้นนี่นั่นงั้นความคิดฟุ้งซ่านมันเลยเป็นเป็นธรรมชาติของโยมค่ะคือชอบจะคิดอยู่เรื่อยๆแต่ว่ารู้สึกว่าความคิดนี่พอมันเข้มาแล้วมันจะมันหายไปเลย ม, มันไม่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 ที่จริงเราไม่ได้ยึดสามีกับลูกหรอกค่ะเรายึดตัวเราเองนั่นมันเป็นสามคีคนอื่นเราคงไม่ยึดหรอกอรักตัวเองนะค่ะที่แบบนมัสกัดเมื่อไงหมอหมอทม่านต้องเข้าโรงพยาบาลไปผ่าตัดต่อมไทร อ, อยออกจ้ะค่ะทีนี้ตัดต่อมออกไปทั้งต่อมเนี่ยมันไปกระเทือนในต่อมข้างๆต่อมไทร อ, อย ทำให้มันคุมแคลเซียมในเลือดไม่ได้เราก็เลยผ่าได้สองวันเนี่ยแคลเซียมมันก็ตกแล้วก็เขาก็ให้ระดับให้ยาเขาไปไม่ทันตอนที่เกิดเรื่องนี้คือเขาให้ยาไปส่วนหนึ่งแล้วแต่ว่าพอระดับมันขึ้นมาไม่ทันเนี่ยมันก็มีอาการกล้ามเนื้อมันก็คุมไม่ได้เลยทั้งตัวอะก็มี <c oughs> มีอาการกระตุกแล้วก็หลอดเสียงแบบเริ่มตีเริ่มเริ่มหายใจไม่ได้เริ่มเริ่มคุมอะไรไม่ได้เลยแต่ตอนนั้นจิตเกิดเนี่ยคือจิตมันไม่มีความกลัวเลยนะคะมันรู้ว่ามันไม่มีที่พึ่งละ่ะมันต้องพึ่งตัวเองอจิตมันก็ดีมาเป็นคนรู้คนดู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 มันก็วางใจได้ระดับหนึ่งพอผ่านมาได้แล้วเนี่ยมันก็รู้สึกรู้สึกว่าจิตมันมันทำของมันได้เองข้อที่หลวงพ่อสอนให้อะนะมันสอนจนถึงทังมันอัตโนมัตินะเวลาชวนตัวเวลาขับขันเนี่ยจิตมันยะดีดถางออกมาเลยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าเราตายขนาดนั้นถ้าจิตมันไม่ยึดไม่ถืออะไรก็นิ่ผ่านไปถ้ายังยึดอยู่ก็ไปเกิดอีก แต่ถามว่าจะตกใจอะไรไม่ไม่มีหรอกมัน ม, มันจะอัตโนมัตินะสติมันไม่มีความกลัวไม่มีสักนิดเลยเ อ, อ, อย่าง่าคนขับรถคว่ำนะจิตก็แบบเนี้ยมันไม่กลัวเลยสักนิดเดียวเสร็จแล้วเนี้ยพอผ่านมาใช่ไหมคะมันก็มีกิเลแสแทรกตามมาหลังจากที่ผ่านช่วงคริทิคอลไปแล้วมันก็มีกิเลสเอ้ยเก่งกันกูเก่งไงก็เก่งเหมือนกันแหละสัมันเก่งวันนึง ปรากฏว่าพลชิ้นเนื้อมันออกมาอีกวันหนึง่งเขาเพื่อนที่เป็นหมอพาถักวโทรมาบอกว่าเออมันเจอจุดมะเร็งในนั้นสามจุดอืเป็นจุดเล็กๆ็วันที่รู้เนี่ยก็ไม่ยังไม่ได้ตกใจอะไรนะคะรู้สึกว่าเออมันมีเรื่องที่จะต้องทําต่อเราโทรติดต่อว่าเออไกด์ไลน์ทรีเมนต์จะทําอะไรต่อไปแล้วก็คือหนูเป็นหมอหนูก็รู้สึกว่าเออมันพอกโนซิคของตัว C.A. อันเนี้ยมันค่อนข้า ง, างดีหนูก็เลยไม่กลัวหนูก็เอ๊ะมันไม่กลัวเพราะว่าหนูฝึกสติหรือไม่กลัวเพราะหนูมีความรู้ทางการแพทย์ปรากฏว่าพอวันจะกลับวันที่สองเขาก็เอาใบพาโทมาตอนที่จะหยิบมาอ่าน่ะจิตมันก็รู้สึกไม่อยากอ่านแล้วก็ยังไม่ทันเห็นความกลัวนะคะมันรู้สึกทีคือตัวเย็นชาไปหมดละ hmm. หรือว่าออรู้ละมาละของจริงมันกลัวละ hmm. อพอกลัมนมามนบ้านเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันมีลุ้นว่าอาจจะไม่ตายแต่ถ้าถ้าเมื่อไหร่นะจิตมันรู้ว่าจะตายแล้วนะมันไม่กลัวหรอกขนาะนั้นจิตจะห้าวหาญเป็นทุกคนเลยที่ฝุกมามันมันสงสชาติวะตอนที่ผ่านตอนที่แบบแย่มากๆอนะันนั้นเนี่ยรู้เลยว่ามันไม่มีที่พึ่งอื่นจริงจริงแต่พอตอนที่กลับกลับมาแล้วเนี่ยมาเจอผลนั่นเนี่ยมันก็ได้ฝึกอีกค่ะหลวงพ่อมันก็เห็น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 คนอื่นก็ดูตัวอย่างนะไม่แน่นะบางทีไปตรวจร่างกายเป็นโน้นเป็นนี่หมอเนี่ยตัวทำร้ายจิตใ จ, จพวกเรามากนะชอบตรวจเจอ น, น้อนเจอนี่คือหนูมชีวิตหนูเป็นชีวิตที่ประสบความสำเร็จใช่มีความสุขมีความทุกข์น้อยมากในชีวิตแต่หนูก็มีความรักที่จะปฏิบัติหนูเป็นรู้สึกวออมาสิบปีนะ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 คิดว่าเป็นหรือยังไม่กล้าพูดค่ะพูดเถอะไม่เป็นไรเป็นคาราวาสพูดได้ชัวยังมันเห็นเหตุและปัจจัยมันเห็นระบบมันยังไม่ฟอนะยังไม่ใช่ยังไม่ต่อเราสังเกตตรงนี้สังเกตว่ามันยังมีความรู้สึกเป็นเราไหม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 ไม่มีใครทําจิตให้มารู้มรรค น, นิพพานได้นะ่ะจิตจะบรรลุของจิตเองรู้สึกไหมมันมีเราอยู่ mm hmm. ที่หลวพ่อไม่ได้รู้หรอกนะหลวงพ่อใช้ถามเอา <c oughs> ใช้ถามถามเอาถามว่ามันยังมีความรู้สึกเป็นเราอยู่ไม่ใช่สง่าไปดูต่อนะยังไม่อกราบขอบพระคุณพระอาจารย์นะ mm hmm. นมัตการกันหนึ่ง่อ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 แต่ถ้าเวลาเราเจอปัญหาหนักๆในชีวิตนั้นทีมันก็กลับมาได้อีกนะทุกเป็นเตาเปล่ามันยังไม่เด็ดขาดถ้ายังไม่ใช่ผ้านาขานะมันยังทุกอย่างนี้ได้อีกเร้อยากจะให้หลวงพ่อให้การบ้านค่ะบ้านหรือควรจะเบี่บัดยังไม่ตอไป้ดีแล้วนะําต่อไปขอบคุณมากเลยค่ะกลับนมัสการหลวงพ่อครับ การที่เราฝึกจิตไหลไปแล้วเรารู้ทันเนี่ยก็คือสติเราเกิดใช่ไหมใช่ครับสติน ะ, ะเกิดจากจิตจำสภาวะได้เนี่ยส่วนถ้าจิตไหลเรารู้เนี่ยคือเราเห็นโมหะถ้าตัวนี้เราไม่เห็นเ้วก็เห็นตัวที่หยาบขึ้นมาในจิตมีราคะพอใจอะไรเรารู้ทันจิตมันจำสภาวะของความพอใจได้พอความพอใจเกิดสติก็เกิดหรือยาบลงไปอีกโทสะดูไปได้ย คือผมก็ไปฝึกจิตไหลไปแล้วก็รู้นะฮะเมื่อก่อนเนี้ยก็จะเห็นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เวลามีโทสะก็จะเห็นเวลาเห็นมีความโลภก็จะเห็นครับแล้วก็อย่างนั่งเมื่อยเนี่ยก็จะเห็นว่าจิตจะเห็นความเมื่อยแล้วก็ความเมื่อยไม่ใช่ตายนะรรู้สึกแบบนั้นครับทีนี้ในช่วงที่ผ่านมานะฮะผมรู้สึกว่าจิตผมไม่ค่อยไหลไปนะไม่เห็นจิตไหลไปแต่ว่าผมยังรู้สึกว่า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 พอนานนะใช้ชีวิตสบายๆอย่เคร่งเครียดแค่ไม่ผิดศีลห้าก็พอแนละ้วครพอเราไม่ได้คิดว่าจะมุ่งมั่นมากมายนะมันจะจงใจน้อยลงถ้าจงใจมากมันจะทือๆนิ่งๆทื่อๆไปมขมไวแต่ตอนนี้เนี่ยจะรู้สึกว่ามีสติอยู่กับตัวมากขึ้น น, นะฮะใช่สติอยู่นะใจมันจะทื่อๆ อ, อยู่ข้อธรนมะ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 ไปรวบแบบนี้แต่กี้มันปล่อยออกไปดูออกไหมครับครับเมันไปรวบเข้ามาปุ๊บมันก็ยังค้างอยู่อย่างนี้เลยแล้วว่าอันนี้เป็นธรรมะของคนดีพวกที่ติดดีนะติดดีก็จะไปติดในทางอัตตาหรือมาตรฐานนิยกควบคุมตัวเองถ้าติดทางชั่วก็จะหลงตามกิเลสไป ผมนั่งอาาานาพนัสเตียนะคพอจิตสงบ ก, ก็เกิดปิติสุขแล้วจิตมันรวมลงไปนะฮะแล้วก็จิตสงบแล้วก็ลมหายใจมันจะเบามากอันนี้มันเป็นฌานหรือเปล่าครับถ้าตรงนั้นยังยังไม่เป็นแล้วพอมันถอยออกมาเนี่ยนะฮะก็ผมจะดูความคิดเพื่อที่จะสุขเจริญปัญญาตแต่มันไม่ค่อยเห็นนะครับผมก็เคยแนะนำว่าให้พิจารณากา ย, ยานะครับดูผลผลิตฟันคือถ้า จิตมันไปนติดสมาธิอยู่นะให้พิจารณาตายหนะึ่งครูบอาจารย์ส่วนใหญ่เดินมาด้วยวิธีนี้นะการพิจารณาการฉันท์ทหลวงพอ่อว่าควรจะพิจารณาเป็นไตลักษณิชังทุกขังอนัตตาหรือพิจารณาเป็นสิ่งสกรปรกหรือพิจ<น>ารณาอะไร<ม>ก็ได้เป็นเป็นการยั่วให้จิตมันเคลื่อนไหวเท่างนะั้น <c oughs> ไม่ให้จิตติดนิ่งติดเฉย <c oughs> อย่างของคุณนะถ้าไปพิจารณาไก่นี่นะไอ้ <c oughs> ที่มันล็อกอยู่ที่จิตไม่จะหลุด จิตมันหลุดแล้วคราวนี้เราก็ดูรูปดูนามตัวไหนเด่นชัดในขณนะนั้นก็รู้ตัวนั้นอ่ะเพราะทุกตัวสอนใจลับครับส่วนการคิดพิจารณาเนี่ยส่วนใหญ่ที่หัดใหม่ๆนะหัดคิดใหม่ๆเนี่ยท่านชอบไปคิดเรื่องปฏิกููปสุภาพมันดูง่ายแต่ถ้าเราจะเอาขํามขั้นหน่อยเราดูใจลับเลยคิดเรื่องใครลัครบคือจิตผมพอพิจารณาเป็น ตะโกนสิ่งสกปรกแล้วมาไตา่ลักกันนะฮะตอนที่ยังาเป็นสิ่งสปกปรกรู้สึกจิตไม่ชอบเลยเไม่ชอบใชนะ่ไม่ชอบก็ไม่เอาพิจารณาเฉพาะไต่ลั ก, กแล้วอย่าให้จิตติดเฉยเท่านั้นเลยการการที่จิตมันว่างอันนี้มันเกี่ยวกับการที่เราไปรักษาตัวรู้ด้วยหรือเปล่อะไรนะการที่จิตมันไม่ก็เห็นความคิดนี่เกี่ยวกับการที่เราไปรักษาตัวรู้ใช่ไหมมันจะซึบๆนิ่งๆซึมๆไปค่อยๆคิดค่อยนึกไม่มีความรู้สึกเลย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 ถ้าถ้าเราจะฝึกพิจารณาเพิ่มเติมอนะนอกจากฝึกพิจารณ์กายแล้วเนี่ยเราฝึกพิจารณาในเรื่องของธาตุสี่หรืออาหารหอย่างํา้ทำบ้านอยากกี้ได้ยังไงก็ได้นะให้มันคิดเก็ได้ไม่ให้จิตมันติดนิ่งติดเฉยที่เขาพิจารณากันนะเพื่อไม่ให้จิตมันติดเฉยครับแล้วก็เป็นการนําร่องให้จิตมันหัดดูใจรักแค่แนั้นเองพิจารณาข้อธรรมก็ได้ใช่ไ ห, หมครับหลวงพ่อวางฟุ้งนะ รับพี่นาะขอ้อธรรมขอคุณจะฟุ้งเก่งเลยเป็นจุดอ่อนนะแล้วในชีวิตประจำวันควรจะปฏิบัติยังไงครับหลวงพ่อมีตาก็ดูมีหูก็ฟังหิวก็กินง่วงก็นอนโมโหเรารู้เอาเนะฉยๆก็รู้เอาทำได้ไหมหิวก็กินง่วงก็นอนได้ครับยากไหมยากนะ ทุกวันเนี้ยไม่ใช่หิวก็กินนะตะกลาก็กินนะข mm. ี้เกียจก็นอนนะห mm. เข้พไม่ได้สอนอย่างนั้นนะ mm. หมดแล้วไหมค่ะ ข, ขอให้ทุกท่านนะคะได้ตั้งใจกล่าวคำถวายทานโดยตั้งจิตเสมือนได้ถวายด้วยตัวเองนะคะข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย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 อิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวาสมิชตุสบเปปูเรนตุสังกปาจันโทปนรารโสยธามนิโชติระโสยธาสพีติโยวิวัตชันตุสัพโรโคโวินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่กายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจจังุทธาปจายโนโ ชะตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขขังเพลังเราปฏิบัติคณนะธรรมะคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมนะคณะคุ้มครองผู้ปฏิบัติคุ้มครองจากความชั่วคับต่อไปก็คุ้มครองเราจากความทุกข์ไม่มีใครคุ้มครองเราได้หรอกถึงนาทีวิกฤตของชีวิตนะั้นมีแต่ธรรมะเราคุ้มครองเรา